ก่อนที่จะกล่าวเรื่องอื่นต่อไปขอให้เราวิเคราะห์เรื่องอธิปไตยสมเป็นอันดับแรกเพื่อเป็นมูลฐานแห่งความเข้าใจในหลักแห่งพระพุทธศาสนาอธิปไตยหรือความเป็นใหญ่สมอย่างที่แสดงในหลักพระพุทธศาสนาคือ 1. อัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่เป้ารบตนหรือประโยชน์ตนเป็นที่ตั้ง แต่ถ้าเปร่ารบแล้วทำคุณงามความดีก็ยังดีกว่าคนไม่ทำความดีบุคคลประเภทนี้ถ้าจะทำอะไรจะบริจาคเงินหรือสิ่งของก็ต้องการให้ประกาศชื่อเสียงต้องได้เป็นผู้มีเกียรติจึงจะทำบางครั้งบุคคลบางคนที่ทำอะไรโดยดีลูกคิดถึงผลได้ผลเสียคือหวังประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งนำอะไรไปให้ใครก็เข้าทานองให้น้อยเพื่อให้ได้มาก อย่างไรก็ตามถ้าจะถือว่าความเห็นแก่ตัวจุงให้คนทำความดีแม้ความดีนั้นยังไม่สมบูรณ์ก็ยังถือได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกแห่งการก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้มีจิตใจสูงขึ้นในโอกาสต่อไป 2. โลกาทิปไตยถือโลกเป็นใหญ่ ปรารบสังคมหรือโลกเป็นประมาณสุดแต่คนอื่นหรือส่วนมากเขาว่าอย่างไรก็ถืออย่างนั้นอันนี้เองบางครั้งก่อความเดือดร้อนให้เป็นอันมากเช่นคนในครอบครัวตายลงตามประเพณีต้องสวดสามคืนต้องมีทำบุญเจ็ดวันต้องเลี้ยงคนเลี้ยงพระและในบางกรณีต้องเลี้ยงเหล้าด้วยตนเองยากจนไม่มีเงินก็สู้ไปหยิบยืมเข้ามาทาบุญ เพื่อไม่ให้คนทั้งหลายติเตียนหรือในกรณีอื่นจะบวชลูกบวชหลานต้องเชิญแขกมาเลี้ยงอาหารมีการลงขันคือผู้รับเชิญเอาเงินมาช่วยแล้วก็จดจำนวนไว้เพื่อถึงคราวเขาจะได้เอาเงินไปช่วยให้สมส่วนกันในการนี้ต้องฆ่าสัตว์เอามาเลี้ยงกันอย่างรื่นเริงยิ่งกว่านั้นถ้าจะภาพใจใหญ่แต่การเงินไม่ใหญ่ตามใจ พยายามจัดงานใหญ่โตให้ครบเครื่องมีทั้งมหรสพและดนตรีด้วยก็ต้องถึงเป็นหนี้เป็นสินเขาเพื่อทำบุญการทำอะไรตามตามผู้อื่นโดยไม่ดูฐานะของตนอย่างนี้บางครั้งก็ก่อเหตุเดือดร้อนให้และถ้ารู้ไม่เท่าถึงการด้วยก็เลยได้บาปแทนบุญไปการทำความดีด้วยถือโลกเป็นใหญ่จึงมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย สามธรรมอาธิปไตยถือธรรมหรือธรรมะเป็นใหญ่ปรารบความถูกต้องความสมควรซึ่งอาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการทําความดีเพราะเห็นแก่ความดีเมื่อทําไปแล้วและแน่ใจว่าเป็นการสมควรแล้วใครจะเห็นหรือไม่เห็นใครจะโฆษณาชื่อเราหรือไม่แม้ที่สุดเมื่อทําบุญคุณแก่ใครแล้ว เขาไม่กล่าวไม่ขอบใจและไม่สานึกบุญคุณเลยบางครั้งยังเดรคุนเอาด้วยซ้ำก็ไม่ถือเป็นข้อควรเสียใจเพราะความมุ่งหมายที่ทำนั้นคือทำความดีเพราะเห็นแก่ความดีความถูกต้องไม่ใช่ทำด้วยหวังอะไรตอบแทนเมื่อจิตใจสูงเช่นนี้ก็เป็นเหตุให้การกระทําเป็นไปในทางที่เหมาะที่ควรไม่มีการแฝงความลับลมคมในอะไรไว้เบื้องหลัง จะไม่มีการบ่นน้อยอกน้อยใจว่าทำดีไม่เห็นได้ดีเพราะบางครั้งคนที่ชอบบ่นอย่างนี้มักไม่ค่อยทำความดีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจุดประสงค์ของเขาดูมันอยู่ที่การทวงผลดีมากกว่าหลักคำสอนที่เน้นหนักในเรื่องธรร ม, มาธิปไตยนี้สมคล้อยกับคุณลักษณะพิเศษที่ว่าพระพุทธศาสนาสอนอย่างตรงไปตรงมาเป็นอย่างดี เพราะหลักธรรมมาธิปไตยนี้อาจนำไปใช้ได้ในหลายกรณีเช่น 1. ในการอำนวยความยุติธรรม 2. ในการพิจารณาว่าอะไรผิดอะไรถูกเป็นต้นการอำนวยความยุธิธรรมของตุลาการหรือผู้เป็นใหญ่เป็นประธานนั้นถ้าถือหลักธรรมมาธิปไตยคือถือธรรมเป็นใหญ่แล้ว ก็จะไม่ตกอยู่ภายใต้อคติหรือความลำเอียงสี่ประการคือลำเอียงเพราะรักหรือชอบกันเรียกฉันทาคติหนึ่งลำเอียงเพราะชังเรียกโทสาคติหนึ่งลำเอียงเพราะรู้เท่าไม่ถึงการเรียกโมหคติหนึ่งกับข้อสุดท้ายลำเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติหนึ่ง เราคงเคยเห็นพ่อแม่บางคนเข้ากับลูกจนไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งสิน้นลูกของตนไม่ว่าจะผิดมากน้อยอย่างไรไม่ยอมเชื่อว่าผิดทั้งสิน้นสุดแต่ว่าถ้าลูกร้องมาฟ้องเป็นต้องเชื่อไว้ก่อนว่าเด็กอื่นผิดเป็นผู้รังแกลูกตนบางครั้งเลยทอดตัวลงไปเป็นคู่ความทะเลาะ ก, กับเด็กอื่นๆแทนลูกของตนหรือช่วยลูกของตนตบตีเด็กอื่นรั้นพ่อแม่ของเด็กอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอม เข้ามาช่วยลูกของตนบ้างเรื่องของเด็กก็เลยกลายเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ถึงข้าฟันประทุดส้ายกันอย่างน่าสลดใจโบราณจึงสอนไว้ว่าอย่าเป็นคนหูเบาเชื่อง่ายลงโทษคนหรือปากใจว่าคนนี้คนนั้นผิดหรือเลวซามเพียงฟังคนอื่นบอกเล่าเพราะผู้บอกอาจจะพูดตามข่าวซึ่งไม่เป็นจริงหรือมีใจมุ่งร้ายใส่ความผู้อื่นก็ได้ การพิจารณาว่าอะไรผิดอะไรถูกข้อนี้ก็ใกล้เคียงกับข้อที่ว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมแต่อาจใช้ได้ในกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลเช่นการฟังเหตุผลการวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆที่จะนามาเป็นแนวประพฤติปฏิบัติหรือรับไว้ดาเนินการยกตัวอย่างเช่นการนับถือศาสนาถ้าเราถือธรรมคือความถูกความตรงเป็นใหญ่ เราก็จะไม่เพียงนับถือตามบรรพบุรุษแต่จะมีเหตุผลของตนเองสามารถวินิจฉัยได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรไม่ใช่นับถือเพราะกลัวหรือเพราะหลง